ก็บอกว่าถูกแล้วการพิจารณาที่ถูกต้องนะตันหาลดลงนะไอ้ตันหาลดล ง, นนะลดลงอันนี้ถูกถูกต้องตรงแต่แต่สิ่งที่ควรเพิ่มคือสับ tin c เนี่ย น, นี้ควรเพิ่มวิริยิน c เนี่ยควรเพิ่มสตินินทร c ควรเพิ่มสมา tin c ก็ควรเพิ่มเมื่อเราอย่างนึกอย่างเรามานัสยการถึงชาติชรามรณาโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาต ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากของรักความปรารถนาทั้งหลายก็ไม่สมหวังซึ่งโดยย่อของความทุกข์เหล่านั้นก็คือขันธ์ห้าหรืออายตนะภายในหเนี่ยนะตาหูจมูกิ้นกายใจในั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะเรามาณเิรารเนาะไปในลักษณะสัตคินร์ซีอย่างอย่างเมื่อกี้ก็ได้ว่าพระพุทธเจ้ากาหนดรู้ชรามรณะเสร็จแล้วหนอ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 โาบัเป็นโสดาบันแล้วไม่รู้สึกตัวมีครับท่านป่วยเหรอหรือว่าท่นสลบตอนท่านไม่รู้สึกตัวสเร็จโสดาบั น, นันียังเรียนไม่ถึงไมเปัญหาต่อะพ่าถ้าสโสดาบันแล้วไปเกิดนที่ <c oughs> เ, เขาจะเจริญโดยที่ไม่มีผู้พศาสนาเขาจะเจริญงหรือว่าเขาจะพิจารณาเขาเองจ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 แกเนี่ยเ อ, อ้ยยังๆ ง, งแกยังอ่ะคนนี้นั่นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นถ้าต้องให้คนอื่นมาคอยพยากณรอย่างนี้นะก็ดูท่าใครถูกพยาการทีสงสัยจะหมดหลายตังกันเลยค่าจ้างพยาการเนี่ยหมดตัวเลยแหละ ม, มีมีบางท่านที่ลงมาเป็นมนุษย์ก็มีแต่ว่าอย่างพระพุทธสในยุคของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะ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 แทบไม่เคยอยู่ในความคิดเลยแหละนั่นนะก็ก็สมมติใอย่างพระพุทธเจ้าของเราไปหาพระสีอานี่ยก็ในจักรวรตสูตรกล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่าทาหะเนมิเนี่ยนะสมัยเมื่อมนุษย์อายุแปดหมื่นปีนี่นะแปดหมื่นปีซึ่งพระเจ้าทาหะเนมิเนี่ยแสดงว่าเรื่องในอนาคตต่ตอไปก็พูดถึงว่าอีกสมัยหนึ่งนะพระเจ้าธาระเนมิเนี่ยมีอายุแปดหมื่นปี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 สิปีตายรวมๆเขาเรียกว่าเป็นมิกรสันยีตายด้วยสัตว์ทันตรักบัพเคนฆ่ากันตายแล้วก็มนุษย์ค่อยๆพัฒนาอายุขึ้นไปจนถึง อ, อสงไขยปีแล้วลดมาเหลือ 80,000 ปีเนี่ยจึงจะมีพระศีอานมาตรัสรูนั่นนะก็โอ้โรออีกนานแล้วก็เออหลายพันล้านปีจริงๆใครจะรอก็รอเพราะในระหว่างนี้เป็นไปได้ที่พระโสดาบันจะลงมาเป็นมนุษย์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 ก็มันไม่มีตัวอย่างอะนะก็เลยถ้าตอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็นับว่าเสียงมากเพราะว่าไม่มีตัวอย่างประกอบเลยแต่ว่ามีบางนัยยะที่กล่าวไว้ในอัตถกถาว่าถึงท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่ฆ่าสัตว์โดยประการทั้งปวงอันนี้คือที่พบในหลักฐานมีอยู่เท่านั้นและก็ที่อื่นๆก็ยังกําลังเรียนอยู่เดี๋ยวคุณมนมีอดใจว่อย่ากแก่ตายซะก่อนนะ <c oughs> แต่เขาเคยมีนะบางคนเขาซักมากเหมือนกันนะก็ <c oughs> าถามเรื่องไม่ใช่วิสัยทางนั้นเลยนะธรรมมาว่าไงบอกว่าแล้วธรรมาจะไปถามใครเนี่ยย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่าการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะว่า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 ถามว่าเห็นคุณปรัตตนะตรายนี่เห็นคุณอย่างไรเคอเราทั้งหลายเนี่ยอารหังก็อารหังในคําส่วนใหญ่นะอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเราก็ได้แต่คำอ่ะที่ ท, ที่พระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าอนาคตต่อไปเนี่ยคนจะจําได้แต่เฉพาะบาลีแต่เนื้อความไม่รู้ละ น, นะตอนนี้ก็เหลือเหลือแต่บาลีเนื้อความแต่เรื่องที่ว่านี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็น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 กำหนดรู um ulu, a, ้แล้วละสิ่งที่ควรละแล้วเจริญสิ่งที่ควรเจริญแล้วทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแล้วนี้ก็มาสาธยายเพิ่มอีกใช่ไหมว่าพระองค์ร like. ู้อะไรจักขู่พระองค์กำหนดรู้แล้วจักขู่สมุทัยพระองค์ละแล้วจักขู่นิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วจักขูนิโรทคามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วโสตะพระองค์กำหนดรู้แล้วโสตะสมุทัยพระองค์ละแล้วโสตะนิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วโสตะนิโรทคามิหนีปฏิปทา พระองค์เจริญแล้วคณะพระองค์กําหนดรู้แล้วคนะสมุทัยพระองค์ละแล้วคณะนิโรธพระองค์ทาให้แจ้งแล้วคนะนิโรธถาขามินีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วเนี่ยนะชิวหาพระองค์กําหนดรู้แล้วชิวหาสมุทัยพระองค์ละแล้วชิวหานิโรธพระองค์ทาให้แจ้งแล้วชิวหานิโรธถ้าขามินีปฏิปทา พระองค์อะไรพระองค์เจริญแล้วกายพระองค์กําหนดรู้แล้วกายยะสมุทัยพระองค์ละแล้วกายยะนิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วกายะนิโรทคามิหนีปฏิปทาพระองค์เจริญแล้วมโนใจนี่นะพระองค์กําหนดรู้แล้วมโนสมุทัยพระองค์ก็ละแล้วมโนนิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วมโนนิโรทัคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้ว ส่วนนี้ที่เราจะต้องมาฝึกสาทยายให้มันคุ้นเคยแล้วก็ฝึกพิจารณาในโลกที่ที่เป็นจริงนะตาก็เอาตาจริงๆอิงนะมาพิจารณาเนี่ยนะไม่ใช่ต่อเต่าสะอาไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่น่าสนใจหรอกก็คือเอามาพิจารณามาสาทยายมาใคร่ครวนอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ ย, ยนะถึงไม่เห็นก็ต้องสาทยายเนี่ยนะนะคือเราทั้งหลายเนี่ยนะ ในการมาศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราเป็นอนุบาลจริงๆเลยจะเรียกว่าเราอ่อนก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรนยนะยังแงยอยู่เลยนะยังรุ่นนั้นแหละโดยปัญญินีนะเอาอินซีห้ามาวัดนะยังถ้ากับปวกเปียกสองสขาขวบแค่นี้ไม่ได้โตอะไรหรอกเนี่ยนะเวนแต่จักขุนเวนแต่จักขุนซีโสตินซีอันนี้ใช่ละเชื่อละเนี่ยนะว่าเป็นอุ้ยแล้วละ่ะ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 จักขูจักขูสมุ ท, ทยัยจักขูนิโรธหรือก็มาลีไล่ทีละคาก็ได้เอาเอาแบบสูตรผู้การเมื่อกี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะพระพุทธเจ้ากําหนดรู้จักขูแล้วกราบหนึ่งครั้งข้าพเจ้าขอนอมน้อมพระพุทธเจ้าพูดทําปริญญาใ น, จ, าานาจัขอนอนจกขูแล้วก็กราบนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ละจักขูสมุทัยแล้วก็กราบอย่างเงี้ยนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพูดแทงตลอดจักขูนิโรธแล้วแล้วก็กราบ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่พระพุทธเจ้าผู้เจริญจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วเราก็กราบเงี้ยนะท่านก็แกราบเยอะแปดหมื่นสี่พันครั้งก็ไม่หมดเงี้ยนะเดินรอบเจดีสามคืนก็ไม่มีจบเทิมท่านก็นี่แหละที่เรียกว่าบทของการเจริญนะอย่างน้อยที่สุดอยากให้ให้สาธยายบทเหล่านี้จริงๆ เพราะว่าเป็นบทที่ที่เกื้อกูลต่อการเจริญมากไม่งั้นนะ้าเราพิจารณาไปพิจารณามาเนี่ยหลงประเด็นหมดเลยเรียนรู้เรื่องแก่เรื่องตายพอพูดถึงคนแก่ก็จะป่วยไปกับคนแก่อีกเรียนรู้คนตายก็จะทุกข์ไปกับที่เขาตายอีกเป็นต้นอันนี้ซึ่งผิดวัตถุประสงค์งัการหมั่นสาธยายการใคร่ครวนการตรึกแบบนี้เนี่ยควรให้มีอรหังพระพุทธเน้นไปที่พระองค์นี่กาจัดสมุทัยได้เรียบร้อยแล้วนะ เนื่องจากไม่มีราคะโทสะโมหะใช่หอรหังสัมมาสัมพุโทโธก็คือทาปริญญาเป็นต้นเนี่ยเสร็จแล้วทาปริญญาละทําให้แจ้งเจริญเสร็จแล้วแล้วก็พักาวาก็คือพระองค์เป็นผู้มีโพธิปัจขยธรรมแล้วก็เป็นผู้จำแนกธรรมรัตนะจำแนกแจกแจงอริยศาสตร์ให้เรามาเจริญมาพิจารณาด้วยแล้วก็มาละลึกอย่างนี้ให้บ่อย นี่ถ้ า, อ, าอย่างที่กล่าวนะที่ผู้การถามว่ า, าที่ไหนที่บอกว่าอริยสัตว์เนี่ยนะว่าปกติเนี่ยบอกว่าทุกขาริยสัตว์ก็คือขันท่าใช่ไหมโดย ท, ทั่วไปก็บอกขันห้าแต่ที่บอกเป็นอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในี่อยู่ในอายตนะสูตรชื่ออายตนะสูตรเลยสังยุตติกายมหาวรวั เล่มสุดท้ายนะนะสังยุตตนิกายเล่มสุดท้ายชื่ออายตนะสูตรสัจจะสังยุตสัจจะสังยุตมหาวรารวรคายตนะสูตรนะนะเล่มสสบเอยู่เล่มมอนะชื่ออายตนะสูตรสั อ่เรียกว่าสัจจะสังยุตเนี่ยนะอยู่ในสังยุตตนิกายมหาวรวัตอายตนาสูตรนัมเบอร์สามสิบเอ็ดก็อย่างที่เรียกว่าอะไรนะทุกขารยศัสตร์คืออะไรตาหูจมูกเลนส์กายแล้วก็ใจ ในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นทุกขาริยศาสตร์เนี่ยนะแล้วสมุ ท, ทัยอ่ะทุก็มาด้วยทุกขะสมุทยัยทุกขะสมุทัยนี่ก็คือว่ารวมๆนะตัวตันหาใช่ไหมถ้าพูดตันหานี่อวิชชาก็เท่ากับแสดงแล้วกรรมแสดงแล้วถ้าตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องนำรงอยู่ด้วยอาหารท่าใจต้องนำรงอยู่ด้วย นามรูปเนี่ยนะนะแต่นี่เรายกมาตัวเดียวพอเป็นตัวอย่างนะถ้าสิ่งเหล่านี้ดับไม่เป็นไปเนี่ยนะอัปปวตัตะไม่เป็นไปนั้นก็เป็นนิโรธเนี่ยนะนะทำยังไงที่จะทำนิโรธอันนั้นให้แจ้งก็คือการเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมาทำปริญญาพื้นฐานการทำปริญญาเนี่ยนะซึ่งอย่าลืมว่าคนที่จะเจริญอริยสัจนะกรรมสกาถือว่า มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจึงจะเอามาพูดกันมาทำปริญญาว่าอย่างไงมาทำปริญญาว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาสิ่งที่มีชาาเป็นธรรมดาแล้วก็สิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดานนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นไปกับชาติชาามรณะเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทางกายและก็ ทุกใจใช่ั้ยแล้วก็คับแค้นใจเป็นอย่างยิ่งทุกกายทุกใจเนี่ยนะแล้วก็ขับแค้นใจก็แปลว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตเนี่ยนะโสกะปริเทวะซึ่งอันนี้คือการทำตรีรณะปริญญาแล้วนะ การที่เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาพิจารณาโดยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสเนี่ยคือการทำติรณะปริญญาเนี่ยได้หลายโตเลยนะใช่ไหมชาติธรรมโตชราติธรรมโตแล้วก็มีอีกคำหนึ่งถ้าเปิดเพิ่มเองพยาทิธรรมโตมรณะธรรมโตโสกะธรรมโตปริเทวธรรมโต ทุกขะนะทุกขโทมานัสก็เป็นทุกอยู่แล้วอุปายาสะธรรมโตแล้วก็สังกิเลสิกะธรรมโตเนี่ย น, ะนีก็คือเป็นการเอามาพิจารณานี่แหละเรียกว่าเป็นการทําตีระณะปริญญาแล้วละ mm hmm. เมื่อทําปริญญาไปจะเห็นอย่างที่ที่ในสัจจะบัพภาพเพิ่มมาอีกก็คือสัมปโยคะทุกสัมปโยฆทุกขและอะไร วิปโยคทุกเนี่ยนะสัมปโยคะก็คืออะไรถ้าต้องไปประจบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่น่าปรารถนาอันนี้แหละเรียกว่าสัมปโยคะทุกข์คือในโลกของของการพิจารณาในแง่อริยศตส์เนี่ยนะจะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่รู้การโดยโดยหลักวิชาว่าแปลว่าศัตรูใครก็ศัตรูใครละว่า ง, งั้นเถอะ ถ้าไปต้องไปประจวบกับศัตรูของตนเนี่ยนะเป็นยังไงอยที่เมื่อวานสนทนากันว่าถ้าไปเจอหรือผู้ร่วมงานที่ไม่น่าปรารถนานะผู้ร่วมงานคืออะไรก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจถ้าพูดโดยประมาติน่ น, นะหรืออะไรก็ตามที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะในโลกของแม้กระทั่งเจองูงูพนน่นไหก็ตาหูจมกูกลิ้นจใจใจเสือก็ตาหูจมกูกลิ้นกายใจนั่นแหละันก็ พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่ง hey สัมปยโยฆาทุก์ที่เราเป็นทุกเนี่ยเนื่องจากเราตาไปเห็นในสิ่งที่ที่เราคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีอ่ะหรือไปฟังสิ่งที่เราเรียกว่ามันไม่ดีไปรู้กลิ่นที่ไม่ดีรู้รสที่ไม่ดีรู้โพธาภะที่ไม่ดีหรือรับไปนึกคิดบางเรื่องที่เราว่ามันไม่ดีอันนี้แหละเรียกว่าสัมปยโยฆาทุกเนี่ยนะสัมปโยฆาทุก ถ้าวิปโยค่าทุกข์เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยมันสัมปโยค่าสุกก่อนตอนแรกเลยเนยสะสัมปโยค่าสุกต่อมาก็จะเป็นวิปโยคทุกข์ <c oughs> ที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายปราถนาวัตถุกรมอยู่ถ้าวัตถุกรมนั้นสำเร็จแก่สัตว์ายเขาย่อมมีใจเอิบออิ่มเป็นแน่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 ปรนิมมิตตาวสวัสดีอยากได้อะไรมีคนอื่นเนรมิตให้ก็ถ้าเป็นพวกปรานิมเนี่ยพวกนี้มีบุญมากเหมือนกับสมัยนี้ก็เจ้านายชั้นสูงเลยใช่ไหมเจ้านายชั้นสูงเนี่ยถ้าเหลียวดูอะไรเนี่ยเป็นอันต้องได้อันนั้นอันนี้คือคือเขาบอกว่าแค่ผู้พิมพ์ผู้มีบุญจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเขามายังเคยโยมโดยยองเขาแฟวเลยเขาบอกว่าท่านนี่พวกปรนิมมิตะ์เขาวางเงินเอาไปเราซื้อขายเองไร่ที่ไหนใช่ไหม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 ก็เลยเชิญผู้หญิงกลับปะก็เจ้าสุขเกษมก็ไปกรุงเทพเขาก็จับแต่งที่กรุงเทพแล้วก็ผู้หญิงเขาก็มาเยี่ยมเจ้านี้ก็ไม่ยอมออกมาพบหน้าผู้หญิงกันนะตอนหลังก็กลับไปบวชชีที่พม่าจนตายส่วนเจ้านี้บอกว่าหลังจากนั้นสิบปีอ่าสักสิบสามปีเนี่ยตายตรอมใจตายหรือไงก็บอกว่าที่ตายก็คือขี้เหล่าเมาญาหลังจากนั้นนะ น, นะ หลังจากที่จากกันกับคนนี้ก็ขี้เหล้าเมายามาตลอดถึงแต่งใหม่ก็ขี้เหล้าเมายาในใะนที่สุดก็ตายพวกนี้ก็เป็นผลของอะไรวิปโยคทุกเลยนะวิปโยคทุกหลายๆคนเนี่ยพอวิปพอพอตัวเองจากอะไรในชะ่ไหมต้องต้องจากอะไรหรือสูญเสียอะไรหลังจากนั้นก็ข้าวปลาเป็นต้นก็ไม่ค่อยสนใจเลยนะก็กินเหล้าแทน